คณวงพพุทธานุโยแหงวัดป่าสาลวันจังหวัดนครราชสีมามีเมตตาจิตรับราบราราชธราของสิทธญาณวิสุทธิ์มัคคุเทศก์เจริญพระพุทธมนต์โคตรชงสระปริยแล ะ, สะแสดงธรรมะเทมนาเป็นธรรมงานเพื่อเป็นธรรมโอสถสำหรับบรรเทาบำบัดโรคไปแค่เจ็บที่เบียดเบียดังที่จะรับฟังได้ต่อไป น, นี้ขอเจอริญสักการะ และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันก่อนครับ บุปิัโนวะวะโตสาวะะโสมนพาปวะครับมนมะยังหันเตตระเนนัานปาาิลายาตามาโนตยาิมยังมันเตท นะยะจาหะตาไหยังติไม่ยัันเตติเพื่อน s ยัตจาหะตัณหาญาไวยายาจาหะนะโมจติพุทโธอรหะโธสมมาสมพุทธนะโมโอรหะโสมมาสมพุทธ <cue> <repeats> นะโมตัสสะโพธิวาสุอะระหะตุสมสามปุตัะสะนะโมตัสสะ กาชาหมิโนติยัมปีพุทธังสรังชามิโนติยมปีธมังสรนังกชามิโนติัธมังสรนังกชามิโนติยมปีสร้างขังสรนังกาชาหมิ ยัมปีพุทธังสระังกัจฉามิสาธิยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิสยัมธมังสรังกัจฉามิิยัมธมังสรนังัจฉามิ ตัติยมปิสังขังสรนังกชามิตัติยมปิสังขังสรนังกชามิสรนักมันดังนิตติตังอะนาติปาตาเวรมณีติฆะดังสมาธิามิอะาติปาตาเวรมณีฆังสมาธิามิตินาานาเรมีิะังสมาธิามิ ตาเมสุม e ิทธาจาราเมรมณีสิกขาปังสมาธียามิตาสุม <okay>. ิทธาจาราเมรุมณีสิกขาปังสมายามิมุาวาดาเมรุมณีสิกขาปังสมายามิมุสาวาวรมณีสิกขาปังสมายามิ ตาเมระยะนัชฌะพมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสะมาดิยามิตาเมรยัะมาานาเรมณีสิกขาปดังสะมาดิยามิอิปานิปันจะสิกขาปานิสิเรณสุขทิยันติสิเรณโกกัมปานสิเรณิติยันติตสมาสิรังวิโสติ วิปติปิภาหะยะสถะสัมปติสิทธิยาสพะปุขวินาสายะปริตังปรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสถะสัมปติสิทธิยาสถะพยวินาสายะปริตังปรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสถะสัมปติสิทธิยาสพะโรควินาสอายะปริตังปรูธมังคลัง ข่อไปนี้จงกำหนดสติและลิกตามรู้บทสวดโคตรทงแปลดังอาตามะจะได้สังวัตยายต่อไปโมชงโกสติสงังฆาตุ อรรมนังวิชโยอันตถาภวิริยปิติปัสสิณบุังกาจัตถากรีสมาตุปิขมุทังกาสัตตเตสะมาดสินาน โชชงคือธรรมที่เป็นองหแห่งการตรัสรูหนึ่งสติความบระรุษได้สองธรรมะวิจายการสอดสองเลือกเป็นธรรมสามวิริยะความเพียรสี่ิีติความอิ่มใจ าปัจสวามสงบกายใจบสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางใจเป็นกลางโ อ, องคทั้งเจ็ดองค์นี้โมนีนาสัมมาดาคาตาน อันธะมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมตั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วอาวิธามโหฬิกะตาอันบุคุณมาเจริญธรรมให้มากแล้วสังวัดตันติอธิญญา ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิงเนปบานายะจำนวนพิยนันเพื่อนิพานและเพื่อความตรัสรู้เอเตนะสัตจวัตเชนะโดยการกล่าวคำสั์นี้ สดีเทโอตูสัมปันขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านกเ ม, มือเอกชมิงสมเยนาโทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาเจา้าโมกันลานันจกักสาปัน โอปะเนติบลามุกันลานะและพระกัสสาเีลาเนทุกขิเตดวันเห็นใครถึงทุกเวทนาแล้วโมทังเกสัตตเดชายินทรงแสดงผู้ชรงเ็ประกานี้เท จะตั้งอภินันตดิตรวนอันทั้งสองก็เพลินพาสิตธันโลกามุดจริงสุตังคะเนห า, ายโลกในขณะ น, นั้นเอเตนาสัตวจะวัดเช น, นัน ด้วยการกล่าวคำสัตนสโชติเตโหตุสัมาตนขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอกดาธรรมราชาปีนครองเนึงแมพระธรรมราชา เยรันเยนาพิปิริตอันปามประชวนเบียดเพียนแล้วจวุนดัเทเรนตันเยวะอันรับสั่งให้ประจุนทเเีระขนาเปตวานช า, าดรัง แสดงโคตรงนั้นโดยยินดีสมโมไิตัวจามาทานขอทรงบันเทิงสาไทัยทำท่าหุท่ า, าสิท่านาสวนหายความประจวนนั้นไปโดยฐานะ เอเตนสัตวัทนน์เกนอันโยการเปล่าคำสัตว์นี้สถที่เตโหตูสัมบันขอความสวัสดีจงมีเกตันทุกเมื่อพหานนาเตจามาทาน โออาปาทั้งหลายนัน้นทินนันติมาเฮสีนังอันธรมหาฤสีพังสามองค์ละได้แล้วมักญาตากิเลสาวาถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาน ปะตานุปปติธรรมะตังดุกิเลสอันมักกำจัดแล้วเอเตนะสัจจวัดเเชนันวยความเปล่าคำสัตว์นี้สติเทโหตุสะมัตั ขอความสวัสิีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธินขอไปนี้จงกำหนดสติและลึกตามรู้บทสวดโคตรทงแปลดังอาตมะแก่ได้สังวัทยายต่อไป โุตชังโกสถิสรฆาตุลธัมมานังวิจัยโยนตทรเวริยมพิติปัชาทีนบุตรังกาจัตถาปเรสมะปุติขะบุตรังก ชาเตเตสบับดัสสินานโคชงคือธรรมที่เป็นองแห่งการตรัสรู้หนึ่งสติความระรดึกได้สองธรรมวิจายะการสดสองเลือกเป็นธรรมสามวิริยะความเพียน สี่ปีติความอิ่มใจหาปัจสวามสงบคายใจหกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางใจเป็นกลางโต ท, ทงทั้งเจ็ดองนี้โมนินาสัมมาดาคาตา อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมตั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วพาธิตามโหุริกตานอันบุคุณมาเจริญธรรมให้มากแล้วสังวัดตันติอภิน ญ, ญ, ญายา ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยินเนปบาลายจะบวนทิยนันเพื่อนิพพานและเพื่อความตระสรู้เอเตนะสัตจวัตเชนะ้วยการกล่าวคำสั์นี้ ตวทิเทโหตูสัมบารันขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเยกาจมิงสมเยนาโทในสมัยหนึ่งพระโรกนาจาโมกันลานันจักกัสาบัน อดภเนติเห็นปละมูกันลานะและพระกัสจปาเงีละเนรุกขิเตลิชวนเห็นไครถึงภุกะเวทนาเลวโมทังเกสตระเยนไชยินทรงแสดงผู้ชมจิตประกานี้ ตั้งอภินันทิตุกวนอันทังสองก็เปรื่นปาสิทนันโลกามุตติงสุตังคะเนีนหายโลกในขณะนั้นเอเตนะสัตจวัตเจนะ ด้วยการกล่าวคำสั์นี้โชติเตโหตุสมดานขอความสวัสดีจงมีแก่ทันทุกเมื่อเอตาดาธรรมราชาปีนครองหึงแม่มพระธรรมราชาัน เยรัญเยนาพิปิริตุอันความประชวนเบียดเบียนแล้วจุนดัเทเรนตันเยวะอันรับสั่งให้ถระจุนถเทระขณะเปตวานาชาดรัง สแสดงโคชงนั้นโดยยินดีสัมโมดีตวาาาัวจามาตาลโทรงบันเทิงสระไตรทำท่าบุาธาจิธพานะชย์หายความประชวนนั้นไปโดยฐานะ เอเตนะสัจวัตเจนะอด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้สถที่เตโฮตูสัมบัติขอความสวัสดีจงมีเกทันทุกเมื่อทหินเตจ้ามาทาน โออาปาตั้งหลาย น, น, นันตินันตนิมาเหสีนังอันตมหาลูสีทัสามองค์ละได้แล้วมักกาตาอิเลสาวาถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาน ปทตานุปปตธิธรรมมาตงดุกิเลตอันมากกรรมจัดแล้วเอเทนะสัจกวัดเจนด้วยความปล่าบกรรมสัตว์นี้โสติเทโหตุสัมตะ ขอความสวสัสดีรงมีแก่ทันทุกเมื่อเธิตขอไปนี้จงกำหนดสติละลึกตามรู้บทสวดโพตทงแปลดังอาตมะจะได้สังวัตยายต่อไป บูตังโกสติสังฆโตธรรมนังวิญญยตทานังเวริยมปิติปัาจิณบูตังกาจัธตาภะเรสมาตุปิขะบุตังกา สัตตเตสัมมดสินานโอชงคือธรรมที่เป็นองแห่งการตรัสรู้หนึ่ง ส, สติปัมระดึดได้สองธรรมวิจายการสดสองเลือกเป็นธรรมสามวิริยะความเพียร สี่ปีติความอิ่มใจหาปัสสิติความสงบกายใจหกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางใจเป็นกลางโอทงทั้งเจ็ดองนี้ โมนินาสัมมาักคาตาอันตะมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมตั้งสิ้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วพาภิตามหุลิกาตาอันบุคุณมาเจริญธรรมให้มากแล้ว สังวัตตันตอิอภิญญายยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยินเนปบานายะจำบุนทิยนันเพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้เอเตนะสัตจวัตเชนละ โดยการกล่าวคำฉันนี้สดทิเตโฮ ส, สดสมบัาิขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านกกเมื่อเยกัจมิงสมยเยนาทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาเจ้า โมกันลานันจกัสสาภพอตาเนติเนประมูกันลานะและประกัสสาภ์ยืลาเดทุกขิเตลิสวันเห็นใครถึงทุกเวทนาแล้วโมธังเกสัตตะเดยนไยิน ทรงแสดงผู้ชมเิประกานี้จะตั้งอภินันท์ต น, นทั้งสองก็เพลินปาสิทันโลกามุดจิงสุตังคะเนหายโลกในขณะนัน้น เอเตนะสัตวจวัดเชนนั้นโดยการกล่าวคำสัตย์นี้สุดพิเตโฮตุสัมบัติขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอกดาธรมมราชาเป็น ครั้งหนึ่งแม่พระธรรมราชาเยรันเยนาพิีริีตนอันความประชวนเบียดเบียนแล้วจวนดั่เทเรนาตันเยวะอันรับสั่งให้พระจุนทศเจริ อาณาเปตวานาชาดรังแสดงโกชงนั้นโดยยินดีสมโมไดตัวจะมาธาตุก็ทรงบันเพิงชาติทินราบุธาจิตธานาโซนหายความประจวนนั้น ไปโดยฐานะเอเตนสัตว์กวัตเทนอนันด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้โสดทิเตโหตัวสมบัานขอความสวัสดีจงมีเก ท, ทันถูกเมือ่อ พาหีนาเตจามาตาโออาปาังหลายนันเทนนันติมาเฮสินังอันตมหาลุสีทั้งสามองค์ละได้แล้วมักกาตากิเลสาวะ ถึงความไม่บังเกิดเป็นธรมรมดานปัต า, านุปปติธรรมะตังดยกิเลสอันมากกรรมจัดแลว้วเอเตนะสัตวัะเจนด้วยความเปล่าคำสัตว์นี้ โสติเตหูตูสัมปันขอความสวัสดีดวงนี้แก่ทันทุกเมื่อเทิน